ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ใคร่ควรซะก่อนว่าเมื่อทำหรือพูดออกไปนี้ผลที่จะตามมานั้นจะเป็นผลอย่างไรการพูดออทำไม่ดีพูดไม่ดีมันผิดออกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นการพูดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านถึงโทษประหาร โทษประหารถ้าพูดผิดคือพูดไม่ดีโทษประหารโทษประหารอย่างไรคือในทรรำคําสอนของพระพุทธเจา้าคือว่าในอาบัตหนักเรียว่าปาราชกมีอยู่สี่ข้อในสข้อนั้นมีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุอวดอุตริมนุษสธรรมคือทาอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากการเป็นพระ นี่แหละอันนี้ก็คือการพูดไม่ใช่ธรรมดาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าการที่จะทาการที่จะพูดสิ่งใดออกไปก็ขอให้พวกเราใค่ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลให้ถีท่วนซะก่อนจึงค่อยทำและพูดออกไปเมื่อเราค่าควรถีท่วนแล้ว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 ทางอันไหนบ้างที่มีมากมีหลายบ้างละเกินอินโทรกอินเทอร์เนต็ตทุกวันนี้เพราะนั้นเวลาทําอะไรลงไปอยากจะให้คิดซะก่อนนิสัมมกรนงังเสโยซะก่อนค่อยเอาลงถ้าเอาลงไปแบบไม่ได้รับผิดชอบในเมื่อเขาตามได้ไล่ฐานแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาผลที่สุดก็